เขาบอกว่าในําจัดน้ำโสกปปกออกจากศากสตร์ที่ใหญ่นีน้ำโสกโปกมันจะดุลย์ลายไข่ใส่ไปต่อโรคต่อหลานออกต่อคนเป็นโรคอะไรทุกวันรักษาไม่ได้ไปจากเชื้อยุงแทําไมไม่บอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อโง่ติเราใส่ใจ ก, กันใหญ่เอาน้ําไปใส่เอาดอกบัวไปใส่อใ ส, สองสาวันเกิดยุงไข่ใส่ ไ ม, ไม่ไปบอกพระป้าไปบอกเ็นประชาชนผระไปเทไม่ได้ละน้ำ ม, มีตัวศัดอะ่ะต้องหาหนองน้ำที่ เ, เทศหนองน้ำถุดนุกใสบุกแรงปัดเทเท่าไปบ้านใดว่านันขายเราไม่เป็น้านที่ที่ต้ เ, เอกันวัดนันก็หลงไปกั้มักเอมักอง คมบางคนตองล้มฟุんん้งบางนตองไม่สดอของความไม่ของความติมันก็ลงันแล้วนี่มันเกิดอะไรไปดังแบบสวยงามประดับประดาทําเมออกมาสวยงามดเนบู่เช็ดล้มก็เหตุผลหลงมั้งไม่บวบสองสามมอมวด้องกันแล้วไปบวบจะกี่สิบกว่าล้านเกือประมาณสิบกว่าล้านเดี๋ยวถ้าพูดทะลุดำหมด มันจะไปหาผู้จุดยูหันก็ไปต ไ, ไปเพ่งทอดพู้ถือกุญแจตลอาก็ได้ไฟฟ้ารัดวงจอมถึงก็แน่นว่าเป <c oughs> ็นแล้วมีเกิดจุดที่นี่แล้วลนเดี๋ยวเรามั่นนี่วัดสักขาขาวัดท่าสุ้งเนี่ยมุกคว้าก็ได้ไปเปิดไปเบิ้งดูเม็ดเม็ดเพชรจุดหนาพะทะยึดหลาน ทำั้งี่แม่ชีใสไปพักก็เหมืนบุญเห็ไปัไปปปกถูกงดมันเขาไห้ฝักเลแล้วบัดบัราคาแพงแพงมควนฝากเ ล, ล่ก็ไฟแม่ชีลูเดียวเห็นบอข้ามันตะไลราคาแห้ฝากเล่ก็หมาเขาเก่งคัดไอ ต, ตัวมันมีเครื่องมันควนหลายมีเครื่องเตือน่ะเทนเป็นไฟเึินนนกแต่ควนปุ๊บอยู่ตัมัน ของพระก็ท่านเน้ตรงนั้นเลยไปขึ้นมา <c oughs> ครับญาติให้พระสงฆ์เน้นหนักให้โยมทาบุญจะให้โยมลูกหลานหลงทางเดินทานศีลบุญหน้าที่ของญาติโยมทานศีลบุญทานศีลภาว น, น, นาภาวนาก็บบุญอันเดียวกันมีปัญญาก็เพราะมีศีลศีลส ร, สรสมะชิปัญญา ความรับรู้ในกองสังขารสุขทุ ก, ทกดีทั่วผิดถูกคือตัวปัญญาไม่ใช่ตาตาเนื้อที่เป็นตานารกเห็นอะไรได้หรือสวยงามร่ํารวยมอหงใหญ่หมอนหนโลบมอร่ำรวยก็อมอสวยงามอขอคิดดูสวรรคอยู่ตรงไหนหลับตาดูเห็นไหมละ่ะดูลมหายใจเข้าเห็นสวรรค์ไหมเกิดตรงไหนอยากร่ำรวยมีไหมอยากสวยงามมีไหมบริสุทธิ์ใจไหมลม นานเข้านานเข้าเป็นเย็ดไส่กุปปะบึตใส่เป็นวัฒนาเป็นบา ร, รมีบริสุทธิ์กุดฟองแล้วไม่มีเครื่องเศร้าหมองกอปวรจิตใจอยู่ที่นี่ถ้าไม่มีลมใจหนีแล้วในตัวนี่กายกวนนี่เลี่ยมเท่าไรแต่เท่าใดรักษาตระเดียผมกนเล็บเล็บเมื่อไหร่เพียงสามสีสีสีดีทุกปีถ้าไอปีนี่ดียังพุูนไหลบริสุทธโซ่ดังค่ายสานอยากบลา ไม่ได้โชว์จมูกเพราะเขาให้เครื่องครอบปีนคือใจลม้มในกรุงเทพนะเ็จมูกแหวงแงไม่ได้โชว์เลยเ็บอกก็ฟังร้องกันจมูกเราเกเป็นไปเพงพุ่นด้านสัญญกรรมวัน้ไเอาอย่างเรงาเล่ากันหาอย่างแพรเขาท่ามันปวมมันเป็นอักเสบ ก็จะของแลนหาเส่หาไปนั่นของไหนกวาดไปตรงบอกว่ยินดีกับของได้พอใจกับของมีมีอย่างในกระส่าวที่ลูกจัดเพียงพอพอเพียงกระส่าวธรรมชาติธรรมดาพอเพียงพอที่เยอะบุญเมืองไทยเมืองพุทมันตัดสายไว้มันตามมิ่งดิพูดตามเหตุผลของพระคุณเจ้าเขาคาสอนของพระเจ้ามาพูดตูฟัง พอแม่พาทำตามคําสอนของผู้เจ้าไปรู้ไปเห็นแล้วมาพูดถูฝังเอาคําของผู้เจ้าฝึกตนให้รู้ให้เห็นแล้วจึงสอนผูอ้อื่นฝึกคนอื่นมันฝึกงานฝึกตนมันฝึกยากเพราะฉะนั้นนั่นคำของผู้เจ้าต้องฝึกตนให้รู้เสียก่อนจึงมาสอนผูอ้อื่นนี่ท่านูกเพราะเราไปท่องเอาแต่คาทีตั้โตตัมเอกประโยชน์าประโยชน์กว่าไปที่บสอนอโยมโยมาได้สบายสกงฆทานเรียนโวมจุดทูปจุดเทียนเร็นโยมสบายสังฆทาน เราโยงตัวน้ำใส่ตะขุมบุญไปได้ผลของมาให้พระโยนตัวไปเตรียมว่าเตรียมของของอมิพุชชาของท่านของาำรับร่างกายเข่าน้าพจนะอาหารตึงนุงกระห่มกระบกีวอนที่อยู่อาศัยพุทธิเจนศนะและกระจายรักษาโลกมีอยู่ีอย่างาำรับร่างกายก่อนมีแต่ติเลี่ยงเท่าใดแก้ต้อได้ ถอด ก, ก็แก่ก็เจ็ปกตายรักษาตัวได้ถอด ก, ก็แก่ก็เจ็ปกตายกัญญาในโรกพีาบาลต้องยาพระคุณเจ้าอย่างเดียวโรงพยาบาลของพระเจ้าอย่างเดียวรักษาหายเพราะไม่ได้มาเกิดเทาของพระเจ้าโอสถังรมโอตั้งเอาธรรมของพระเจ้าธรร ม, มะของเจ้าเป็นโอสดถ้ารักษาได้เราไม่ได้เกิดแก่เกิดตายก็ไม่มีต้องรู้จักความหมายของพระพุทธศาสนานะ นต่าประเไม่ค่อยสนใจก็เพราะอย่างนี้ไม่พูดจับความหมายก็เลยไม่สนใจเรื่องพระเรือ่องสงฆ์ <c oughs> ต้องเข้าใจนะหลักศาสนาต้องคนมีจิตศรัทธาจริงๆจริงจะเข้าใจนะไม่ใช่ขอ ง, งนะา่ายๆพระพุทธเจ้าในตัลูกพระพุทธเจ้าพูดอะไรทำที่เราตถาคตในตัตรลูปยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะดูได้ทั้งที่ดูลมเฉยๆนะยากไหมแล้วแต่เกิดมาม่ใครบ้างไม่เคยดูลม แทบทุกคนน่นนะไปทําวัดวินี่ไปทําบุญสิวัดคนของไปต่ออัษะก็ว่าไปทําบุญทําฐานทําเป็นได้บุญทําไม่เป็นได้บาปทําให้พระโลกได้บาปเรียกว่าลักเรียกแต่พระโลกเงินท่อนวัดนะ <c oughs> อาที่ไปตี ม, มากว่าดต่ดหายมากตอนไดนไปหายฟรหานนอกฝากฟีฝากนอกนี่ไม่ออกคําจานสั้นทั้งสี่ก็ไปแล้ว <c oughs> น้ำจับตัวหาเพเห็นเงินทรงมากไปนิน่อยแล้นไปใส่อาษสารสลากกันเปเลี้ยนเพเห็นแล้วเจกเกีย น, น้ำจับตัวเพรเห็นที่ไปทีมากเงินของรัฐบาลทรงมากไปนิอหน่อยไปสอ น, ดนดเด็กเกียดจินไปทำอะไรยังไปอยากไปทำแต่พันธุูปพระสงพันธุูปพระสองความจักเสียงเอาก็ะเสียงไม่ได้สมัยทุกคนยมเนีใส่เงินพรรคเราต้องใส่เงิน ไอ้เผยแผ่พุทธศานาไม่มีเงินขาน้ำมกน้ำมันจะไปยังไงโน่นพระเจ้าดี ม, ม, มีน้ำมุกน้ำมันใส่รถแติมรถไ ป, ปเที่ยวไทยเดินจากประเทศนเดียกจีวันจี่เดือนไม่รู้นั่นไปได้หรอกทุกวันเนี่ยหาแต่เรื่องขี้เหร่ไปเถียงเอาเถียงเอาถ้าไม่ปิดตรงนี้ไปเป็นลูกไม่ได้หรอกปิดที่จัพั์ปิดให้ให้พัาที่อยู่ตรงไปยุ่งเกี่ยวกับความจริงความชี้ศีก็จะไปไปได้ท่า ปล่อยให้แบบนี้ปฏิรูปไม่ได้เสียงกันอย่างนั้นเอาแต่เรื่องขององคี่จัพวันนั้นให้พยายามเน้นหนักภาคปฏิบัติพระเจ้าก็ะทรงเน้นหนักให้โยมทําบุญมไม่ได้ซื้ออาหารใจก็คือทําบุญบุญก็สวดบ้างนเน้นหนักภาคดูลมหายใจเขาออกหายใจเขาออกไม่ซื้อตรงไหนอยู่กับลมจะไม่ดูลมเอาขันมาใส่ลองดูนะอันนี้ขันจะตุปัจจัยเงินทอง อันนี้ขันบุญที่มีขันบุญมองว่าเห็นเอาอะไรใครกัเอาขันเงินขันเงินหนึ่ตัวกัขันสัตวมบัติเดี็กก็ฐานทำมาไงสับสมบัติกับปัญญาเอาอะไรนะถ้าบุญไม่มีปัญญาก็เอาสัตว์สมบัติเพราะมันกองอย่างนี้กองเงินก อ, องทองปัญญาเดี๋ยวก็เห็นเลยสิไส่สิจะได้ไปนะถ้าทางถูกต้องก็คือปัญญาถ้าไม่มีปัญญาหาไม่ได้เงิน ถ้าต้นบัตรก็รักษาไม่ได้เห็นคนหนึ่งเราขี่เราขี่ไพ่จี่บวกไปถึงเบอร์มูฟจับจว่าจิตวิญญไหนเงินไปเน็ไปหลังค่าไห้หนาคนไม่เห็นเของต้อาไป็นบ่ไ่้รักษาได้ว่าบ่ ม, มีปัญญาต้องปัญญาจะรักษาจิตใจก็คือปัญญานยในสัมภาษณ์กับสัมเนนลีแล้ว เห็เจตนาว่ามีครอบมีพ่อมีแม่ยังอยู่มีพี่มีน้องก็ยังอยู่แต่จาติที่พี่น้องก็อยากให้ต่อไปแต่สัวเราเองไม่อยากได้อะไรเลยคิดเบื่อหน่ายใช่ไหมเงี้ยออกมาจากนี้คือแรกที่น้องก็ไม่เห็นพ่อแต่เป็นมาเขาเห็นพ่อก็เลยเป็นเน้นหนักภาคปฏิบัติไม่ต้องแสวงหาเขาแสวงหาครูบาอาจารย์โอ้ยครูบาอาจารย์อยู่ในใจพุทธแต่ว่าครูรู้ทําใจพระเจ้า พระธรรมีใ่ในเป็นบรมตอกรูของพวกเธอทั้งหลายในอยู่ในศิลในธรรมสติปัญญาเกิดขึ้นมาก็ทำอะไรลงไปมันแก้ไขได้หมดเรื่องปัญญาในนันเป็นอาจารย์โลกกิจอีกด้วยมันเน้นนักเรื่องการปฏิบัติเข้าไปแบบดีขึ้นไปดีขึ้นไปกานสอนคนอื่นเคยถามอยู่เหมือนกันเนะี่ยคนอ <c oughs> ินเดียเป็นครูสอนสมาธิ นี่สอนคนอื่นเขาทําได้เก่งแต่ว่าเราหรเป็นสมาธิไหมมาเที่ยวหลังถามว่าหยุดหยุดสอนแล้วว่างก็นั่นแหละถูกต้องยี่ไปสอนต น, นทำไม่ได้แต่ก่อนไปไปสอนคนอื่นสอนคนอื่นมันสอนง่ายแต่สอนเราเนี่มันสอนอยากคํำของกุญแจต้นนั้นแหละเป็นติพึ่งของตนตนเตือนตอน้ต น, ต น, ต น, ตนไม่ได้ใครเล่าจะเตือนเห็นไหม ไม่ใช่ของง่ายๆนะมันไปเข้ากัวเลียงตัวปูตัวปูรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วดีแล้วดีแล้วมันดีแล้วมาเกิดทําไมวิธีจะปราบกิเลสจะฆ่ากิเลสมันอยู่ในหัวใจถ้าไม่ปราบกทฆ่ากิเลสนี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางของการปฏิบัตินี่มันไม่ใช่ของง่ายๆนะบายการสอนจิตใจให้มันเรียบง่ายจะให้มันรู้ยาก ทำมาเราได้เป็นไปเพื่อความเรียบง่ายนี่เรียบง่ายกล่ไปวา ง, งานลูกเหมือนพงศ์พิจ้าไม่ต้องไปดัดเตะแต่งมปรุงไปแต่งเป็นแต่งของนอกใจงามไม่ใช่ไม่ทำคนหลงนะอยทุย่งพิจินรแต่ั็การหลงอยก่ทุ่งพิยิเคยมาแล้วเคยเห็นนัตะวันานโผล่้า น, า น, านเป็ น, ปนพงศ์พิจ้าไหมแย่ยึดถือเอาเอาดอกบวัวเป็นบูชาเห็นว่าพงศพเจ้าถือดอกบวัวมาปฏิสนธิ เลยยึดเอาคำนั้นเอาดอกบัวไป็วตะไเอาดอกบัวตะไบตอนนั่นที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพิ่งจะมาเริ Now, ers, ers, ่มเข้าปฏิสนธิยังมาเกิดเฉยๆนะแต่เวลาได่เป็นพระเจ้าแล้วไม่ได้ไปหาดอกไม้ไปบูชาที่ไหนไมไปหาแต่ดูใจดู6ปีน่นะไม่ใช่ปีหนึ่งมะพูเจ้าหาสินหาธรมหา6ปีนะเพื่อมาอะไรล่ะเพื่อสอนคน สนคนให้ดูให้รู้ให้เห็นแต่เราไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นเข้าใจง่ายถามไม่ถามใจของเราเราไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นดูอะไร ด, ดูใจใจไม่ใช่ตาเนื้อจะดูต้องใช้สติปัญญาระลึกรู้นะ ร, รู้ใจตานื้อตาหนรกเข้าใจไหมตั้งใจในการกระทําให้ถูกต้องถูกทางลงถือทางล ง, ลงเดินถูกทางแล้วถึงชาติก็ไม่เป็นไรเหมือนเต่ากับกระต่าย กระต่ายวิ่งเร็วแพเ็เดียวไปถึงไหนเถอนะไปนอนใจจุดนั้นแหละเต่าไปถึงแล้วไม่เห็นกระต่ายเลยหัู้ซึ่งตัววิ่งไม่ทันเต่าไปถึงแล้วีังชาที่จุดเราขอให้เดินถูกทางนะอย่าไปแวะตรงน่นแวะตรงนี้มันก็เห็นเมอะกวกว่าเดี๋ยวฉันจะ่วยุบ่เทียมก่อนค่อยหน่อยนะเราไปเสียเวลาไปจุดถูกจุดเทียนจุดตันจุ ด, น, จดนี้ไปบนลองหาแนาว่นั้นนมีอยู่กุน คาถาสีหบันทรานคาถาเงินละลายฟังพันฟังอ่ะแล้วเราลงมาทำงนานกูนะคือคาถากินเขานั่นที่แล้วลก็ไปชมอาหารเราลงมาเราทานหนังสิยิ่งเล็กเท่าเปล่ะอี๋โดยเฉพาะยิ่งอาหารใจมันละเอียดถ้าไม่ดูไม่เห็นไม่รู้อั่นคําเห็นไหมดูอะไรดูสวรรค์สวรรค์นในอกนรกในใจหรือดูบุญพูดง่ายๆแปลว่าทําบุญทําบุญทําบุญไม่ใช่เอาของไปให้พระยุ่งว่าทําบุญนน นันเป็นอามิตรปูชาของฐานตรงดับร่างกายร่างกายให้เท่าไหร่ก็เท่าก็แก่ก็เจ็บก็ตายท่อมเข้าไปดูสิดูเข้าไปลึกๆสิพ่อแม่ปูปนน่ย่าตายายไปกว่านั้นผมเช่นหนึ่งเอาไปด้วยได้ไหมนี่ก็พราเรานี่ยเขาวัดจำฉินอยู่เพราะวัดจำํำฉินอยู่เสมอนั่นมันได้ไปขาดในการกระทำอยู่นี้ถ้าเราเข้าใจว่าไปวัดทําบุญการาบ ง, งามๆร่างกายมีนาส ก, กาเลนะทําจัดอ า, าร์จ่า ทำใจนิ่งดูลมเข้าลมบอกดีกว่าไปพูดเรื่องลูกเขยลูกสาวคนนั่ลูกสาวคนนี้เรื่อง ค, คนนั่เรื่องคนนี้ยุ่งกับเรื่องคนอื่นกินเขาโตไปสวยเลิเพนมันบอถูกต้องมันจว่าก็ตามัานจึงใจเพรเานั้นให้พยายามเน้นหนักภาคปฏิบททัติใท้มากๆทำบุญ จะได้มีเติติมีปัญญาจะไม่ได้หลงทางเดินถ้าไปทําอย่างอื่นมันหลงทางมันทําให้ใจหลงไปเชื่อคนนู้นไปเชื่อคนนี้ไปเชื่อพิธีกรรมอย่างนู้นอย่างนี้พิธีกรรมของผู้เจ้าไม่เชื่อผู้เจ้าียบง่านผู้เจ้ายอง่ายแต่คนชอบยุ่งชอบเรื่องยุ่งยุ่งอย่างพิธีกรรมอย่างนู้นอย่างนี้งานจบงานอะไรครูบาอาจารย์โอ้ดอกไม้ถ่ายทุกวันถายทุกวันวันละเป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นหมื่น นันว <c oughs> งานก็มีนานมานี่อกมาทุกเตียนไม่มีเจ้าเป็นมาพาาษาหาทุกเตียนไ <c oughs> อ้และ้วเราพ่งจุดไปแล้วทวดจุดกแล้วละอรเพมีตัวมีเตี้ยนก็เล ย, เ ย, เลยจบ ไ, ไปเลยจ้าเป็าพาาษหาทุกมาเตียนบบนี้มันไม่มีจะไปหาอะไรหรอที่จีิจะทำอไรจะไปหาทุกมาเตียนตรงไห น, น ไม่นึ่ถึงเวลาทําก็เสร็จไอ้อย่างนั้นทิธีหลงๆทําให้คนหลงก็หลงได้ถึงนั้นไมมีดอกไม้จกขึ้นเลยเนี่ยให้ออกมาให้เอาหนี้เอานี้เลยใหปลูกตามป่าเป็นต้นไม่เป็นไ ร, รนไมันเกิดขึ้นมาธรรมชาติคือโน้นเราไม่ไปหักมาให้คนหลงแต่ขเขาเขามาอยู่ธรรมชาติาประดับประดายอยู่ข้างนอกเป็นต้นไม้กมจจจจ็จะหักมาจะตัดสดไปจะตัดคนไปจะตัดต้นอยไปจะตัดไปจจไป เรไมก็รา่องข อ, ออยู่เราไม่มีมุทิตไปได้ยินเขาเกิดมาธรรมชาติจะตัดเข้าไปทําไมน้ำที่ใจไม่ใช่ใบหน้าน้ําำในใจน้ํารู้จักไหมละ่ะใจงานเป็นยังไงญุปนได้ก็ว่าใจงามจงทําดีจงไปดีปนได้ก็ว่าทำดีเขาโมยได้ก็ว่าดีกี่ร่านทําได้ก็ว่าดีหรือดีอะไรเดือนรอนคนอื่นและตนเองดีของคนพระเจ้าคือไม่เดือดร้อนต น, นเองและบุคคลคนอื่น ดีถูกต้องใหใจดีถูกใจให้ให้ะกันแน่นหาภาปฏิบัตินะในกรูบาอาจารย์กดยำตัวตัว้งแต่ตอลอดวขึ้นเครื่องบินไปโน่นไปนี่ก็หลงอะไรก็ไม่รู้ทุกทีก็เคถือเอาที่นี่ก็ไปเปลี่ยนจ้างไม่ไม่ถือก็เป็นหลงไปเองแกระเป๋ากระเป๋า เ, เ, เ, เ, เ, เล็กเม็ดมาถือก็ถือเอา ก็ไม่ว่าเราเหยียวขึ้นเขาไหลมือก็คนด้วคลายได้ตั้งหลังก็คายอะไรก็เหยียว l เขาเขียแล้ว่ยเขาทำกันอยู่ตั้งหลังกีดยางก็จ้แอบออกไปเหยีย ul ลากไปสองมือก็เหยีย ul เขาไปไม่เห็นเป็นไรเอเ่นไหมละ่ะหาความมีออกจากใจถ้าเดินทางไม่มีของถึงไหนแป๊บเดียวถ้ามีนู่นมีนี่ยิย่ยงมากยิ่งมีเดียไปสวรรค์นิพพานถ้ามีกไปไม่ได้นะมีรักมีโลกไปไม่ได้ ตันหาลักลูกเขาเสือบปลูกข้อตันหาหลักษานี้พระนิยาคือปอกปลูกศอกตันหาหลักสะสมบัตรนี้คือปอกมัดตีนมัดตรีเหมือนต่อไปได้ว่กข้อเดียวของคุณเจ้าให้หาหาความมีโอกาสใจเอาไข่แพสุดท้ายคำเดียวแค่นั้นนะ he said uh, the b the Buddha said uh, extinguish desire from your mind so you can become a Buddha you can become a เดเดเดโน่ the, the, the, the no one เขาผมดรเข้าใจนะ